อ่าลนะนะงทำกันต่ออีกสักสามสิบเนทีทำวัดเสาทหยอยพะสูน์สามสิบนาทีเพื่อย่อมให้ชำนิชำนานในการงานของเราก็ากว่าเราเรียนอยู่ในสถาบันชำนานเฉพาะทาง บางทีก็มีมากแต่เอาทางเดียวไปก่อนเอาเจ้าสอนเรื่องทางที่ตรงตามหลักสถาบันคือตรงคือปฏิบัติทีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรมีสติตรง ตรงต่อทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันมีตรงกันข้าวมันหลงไม่หลงสถาบันมันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไม่โกรธไปสายตรงแบบนี้ถ้าหลงเป็นหลงมันเนิ่นช้ามันโคตรโค้งไปแล้วเสียเวลาไม่ชํานาญเราจึงมาหัดเตือนทางนี่ ท, ทุกที่ได้รู้ตรงนั้นทุกที่ไดรู้ตรงนั่นโกที่ใดอะไรปัญหามีปัญญาตรงนั้นตรงเรียกว่าชำนาญในทางนี้ถ้าชำนาญทางนี้แล้วก็ไปได้ไปได้ทั่วไปในในโลกก็ว่าได้ ปฏิบัติปริยัติปฏิเวทครบอยู่ตรงนี้ได้เห็นแล้วเรืเ่อปริยัติเห็นมันหลงได้ปฏิบัติแล้วเปลี่ยนหลงให้ไม่หลงโคนเจ้าข้มหลงด้วยปฏิเวทแล้วก็สมบูรณ์แบบกเราก็ ก็เมื่อเดียวไปก่อนอย่าพลุงพลังมากเกินไปโดยเพราะเราฝึกกรรมฐานนี่มันทำให้เราสรุปลงมาเฉพาะหน้ามันเรามีตาหน้าโลกตาอยู่ข้างหน้าอะไรผ่านหน้าเราก็เห็น นันตาที่มันเห็นมันไม่ผ่านมันเห็นเห็นอะไรมันไม่ใช่เห็นเฉยๆมันรู้มีโทษมีภัยเป็นเหตุเป็นทุกข์เป็นปัญหามันก็โหลุไปถ้าตามันเห็นมันบอกความผิดความถูกอะไรมีภัยอะไรไม่เป็นภัยหรือจากทิฏฐทาง อันหน้าในคือสติสามปัญญาเป็นหน้าโลกรวมลงอยู่ที่นี่คุณเจ้าจึงสอนเรื่องนี้ย่อมตั้งแต่ต้นตามกลางที่สุดย่อยมเรื่องนี้กันอย่างหลักสติปัฏฐานนี่ สิ่งที่เราจะต้องผ่านต้องเห็นอยู่คือกายทุกคนก็มีกายในกายในมีใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใจมันก็คิดเป็นมันก็มีสิ่งที่มาจรมาอาศัยอาคันุกะมาอยู่ที่กายที่ใจเรียกว่าธรรม ทำคือธำอารมณ์ทมเป็นกุศลทมเป็นอกุศลมันจอนมาเหมือนี่พขันตุกะมักจะมาแต่เรามีหน้ารอบเป็นเจ้าของมีสติดูเราเจ็บอารมณ์เราก็ดูเหมือนกับเป็นเจ้าของ ใช้จิตทิดูให้ดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจดูแลให้ปลอดภัยอย่าให้มันเถื่อนให้มันคุ้มดูให้คุ้มกำนานในกายอะไรมาทางกายรู้โลกอะไรที่เป็นสุขเป็นทุกข์รู้อะไรที่มาจากความคิด รูออร่ยที่มันจรมาทั้งความพิษทั้งกายทั้งใจรู้ปฏิเสธไม่ได้ด้วยธรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีอ ก, กุศลคือความไม่ดีเป็นทุกข์เป็นโทษมีเหมือนกันที่มันจรมาที่กายที่ใจเรากุศลคือมีประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์มีเหมือนกัน ถ้าเรามีเจ้าของก็เลือกได้อัดสัมผัสสัมผัส ด, ดูต้องหลงเป็นไงความทุกข์เป็นไงความโกรธเป็นไงก็ไม่หลงมไม่ทุกข์มไม่โกรธมันเป็นอย่างไงที่กว่าปฏิบัติเป็นภาคเป็นภาคสัมผัสได้พบได้เห็นไม่ใช่คิดเห็น ไปพบเห็นเข้าการพบเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรียกว่าปฏิบัติธรรมเราก็รู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นการเจ็บอารมณ์คือการเห็น อย่าเข้าไปเป็นมีสติเป็นเจ้าของมีสติง่ายง่ายไม่ยากไม่ใช่รูปแบบวิธีอืนอ่นๆแต่ว่ามันไม่ใช่เห็นแต่พอ ก, กายเวทนาจิตธรรมมีสิ่งอื่นที่มันมาเยอะแยะเป็นนิมิตเป็นอะไรต่างๆก็ขึ้น อันนันไม่ใช่มันไม่ใช่แหลง่งศึกษามีเยอะแยะเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเป็นไม่เหมือนกันแต่สิ่นที่เกิดกับกายกับใจเรานี่เหมือนกันหม ด, หมดจิ่ที่เกิดกับนิมิตที่มัน <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นในทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นรูปเป็น ภาพต่างๆมันไม่ใช่อย่าเอามาเป็นเกณฑ์เทวดแม้แต่ความสงบนิ่งมันก็มันก็ไม่ใช่ผู้ดูจริงๆก็อาจจะหลับไปความสงบไม่รู้อะไรสงบคือมันไม่ปรุงไม่แต่งคือสงบสงบไม่อยู่โสงหยอ ง, อยงสงบแบบไม่ปรุงไม่แต่ง สติเนี่ยคือสงบที่สุดไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรมาก็รู้นี่ความสงบไม่มีภาวะที่เกิดขึ้นซ้มซ้อนอันเดียวเกิดนิมิตที่มันเกิดจากทางตาทางหูมีต่างๆนิมิติเป็นรูปก็มีนิมิตที่เป็นเสียงก็มีนิมิต่เป็นกลิ่นก็มีนิมิต่เป็นรสก็มี บางทีก็ทำให้เราหลงในนิมิตนั่นชิงบ้างเทศบ้างสำคัญมั่นหมายเอานิมิตเป็นหลักตัดสินไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์เป็นโลกุตละคือ ไม่เกี่ยวข้องไม่ไม่เป็นไปนกับมันถ้าอะไรเป็ น, นมิตก็บอกว่าในนิมิตไม่ใช่ของกิงนิมิต ท, ที่เรามาเอาใช้กายเอากายเป็ น, นมิตนี่ของกิงกลับมามาลูกกายนี่โดยที่มันเกิดขึ้นมากลับมาหาที่ตั้งเอาไว้ง่ายง่ายอย่างเนี้ยไม่มีหลักอย่างเนี้ย มันมีหลั ก, ลกไม่ใช่เราเคร่งคว้างเหมือนเราไมื่าเท่าเหยียบบนดินไม่มีอะไรที่จะมั่นคงเท่ากับเดินอยู่บนดินบนพื้นมีที่ยืนมีที่นั่งมีที่เดินแล้วก็ทำอะไรได้สำเร็จ เรามีกายเรามีจิตใจมีเวทนาม่อะไรที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอยู่ที่นี่เราแก้ก็แก้ที่นี่ปฏิบัติคือเปลี่ยนให้มันรู้อะไรมาให้มันรู้ด้วยว่าปฏิบัติอะไรมาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เจ็บอารมณ์ ได้เห็นก็ชอบไม่ชอบไม่ใช่เจ็บอารมณ์ไม่ใช่กรรมฐานเข้มกรรมฐานเข้มเนั้นสุกก็ไม่เห็นไม่เป็นผู้สุกมันทุกก็ไม่เป็นผู้ทุกมันหลงก็ไม่เป็นผู้หลงมันเกิดเลยขึ้นมาไม่เป็นไปตามมันไม่ได้เห็นให้มันเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งตรงนี้รูเพชร แ้าเฉีงก็แฉียงเหมือนเพชรอย่างนี้ถ้าอ่อนก็อ่อนเหมือนหมไม่เป็นลายไม่เป็นอะไรกับลายเป็นแค่นั้นเองธรรมชาติธรรมดาบางอย่างก็อ่อนเหมือนหมไม่ไ ม, ไม่กระทบกระทือนแขยงก็แขียงเหมือนเพชร ไม่เป็นนี่จะเห็นไม่เป็นปฏิเสธไม่ได้อะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นทั้งหมดเหมือนสี่ปญัญญาเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ย <enable. S 1> เห็นทั้งหมดไม่เป็นทั้งหมดคาว่าไม่เป็นไม่ใช่ปฏิเสธรู้แล้วว่าอย่างนี้คำว่าไม่เป็นคือรู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ ถ้าเห็นเราเป็นไปกับสิ่งต่างๆทีวว่าไม่รู้แล้วก็ไม่ขี้ไม่เห็นที่ด่นทางหลงเป็นหลงเหมือนไม่มีสถาบันไม่มีหลักถ้าไม่มีหลักไม่มีสถาบันก็กลับมาไหนหลงตาเคยไปดูการเพทเอาศึกษากายภาพเอาศพหาศพ เวลาเขาไปผ่าศพเอมีดปาดดูเนื้อดูเส้นดูเอ็นไปเห็นเช่นนั้นเองอยู่ในรูปเขก็มาดูหลักในวิทยาศาสตร์มีข้อเขียนไว้อันนี้มันคือเส้นนั้นนั่นอันนี้มีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มาดูตำราก็ไปดูที่รูปด้านทุกอย่างที่ในชะพางกายของเราเนี่ยก็รู้หมด เช่นเลือดแดงเส้นเลือดถอยเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดดำอยู่ตรงไหนเขาลู่หมดไปเจ๊ะตรงไหนไปปาดตรงไหนถูกอะไรเขาลู่หมดหงโขศึกษาเห็นกับตาจอมผัดกับมือของโขอันนี้การศึกษาปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นมั่นใจ ในความภาวะที่เห็นสุข ก, ก็คือเป็นสุขจริงจริงทุ ก, ก็คือเป็นทุกจริงจริงแต่มันไม่ใช่ไม่สุขแต่มันไม่ใช่ไม่ทุก ơn, เช่นความไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงจริงมีอยู่จริงแต่มันไม่จริงแบบมันเที่ยงความทุกข์ก็ไม่อยู่จริงแต่มันไม่จริงแบบไม่ทุก มันมีหลักแบบนี้จริงคนละแบบจริงตามสมมติบัญญตัติจริงปรมา จ, จิตจะมันอยู่ที่เหล่านี้เราอะไรจะไม่ชํานานอาจจะเป็นปริญญาในด้านนี้ได้ชํานานชํานานในการมีกายวิใจชํานานในอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับ ใ, ใจลู่หมดทั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างทิเลตพันหน้าตันหา1อยแปดรูหมดอะไรที่เป็นทุกเป็นโทษรูหมดเลยเป็นประโยชน์รูหมดเลยที่เป็นทุกเป็นโทษละได้อะไรเป็นประโยชน์ทาได้ความหลงไม่เป็นประโยชน์ความไม่หลงนี่เป็นประโยชน์ทำได้ไม่ได้ต่อสู้กับอะไร ถ้าโต้ทุกก็โต้ทุกขคไม่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นความขึ้นมาความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมคมไม่ทุกข์เป็นธรรมความปวดไม่เป็นธรรมคมไม่ปวดเป็นธรรมตอนหมกมุ่นคุณคิดในลมที่ตั้งแย่งความคิดความคิดความหมกมุ่นคุณคิดในลมที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้มอมงมุ่ง ค, คิดในลมพิตั้งความหลงความบกวามหมกงุ่น ค, นคิดในลมพิตั้งความประมาทหยุดได้ไม่ไม่ไปทางนั้นกลับมาเดินทางใหม่อะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่มีใครบอกเราได้ไปศพกุกภาคปฏิบัติเราก็เลือกได้อย่างเนี้่ ก็เลยชำนาญในการใช้ชีวิตในว่ารุโลกเป็นปริญญายาตะปริญญาลู่ท่องหมดตีดกันหน้ปริญญาแเจก๊กแง่งขึ้นเห็นความไม่เที่ยงตีดกันหน้ปริญญามาเสริมอีกอยาตะปริญญาลู่ ติละขณะปัญญาเจกออกว่าความไม่เที่ยงมันเป็นอยานน่างนี้มันจริงแบบนี้แต่แม้ไม่จริงแบบมันเที่ยงติละขณะปริญญาเจกออกอันหนึ่งเป็นสมมุติบัญญัติอันหนึ่งเป็นปรมาตร์สัจจะความโกดเป็นสมมุติบัญญัติความไม่โกดเป็นปรมาตร์สัจจ ะ, จจะนี่เรียกว่าติละขณะปริญญาปะหงาณปัญญาทําให้หมดไป เห็นเพื่อหลุดพ้นมันหมดไปมันพ้นไปไม่มีอะไรเป็นการบ้านไม่มีอะไรเป็นงานค้างไม่ยุ่งเหยิงสอบสนอะไรมันเสร็จมันก็เสร็จไปจริงจริงจบไปจริงจริงเคยผ่านมันมาแล้วความหลงเคยผ่านความทุกข์เคยผ่านความโกรธเคยผ่านการปรุงแต่งเคยผ่านการไม่ปรุงไม่แต่งทำได้ เป็นความชำนาญในชีวิตของเรานี่อันกายวงสอกจยวาหหาคืบเนี่ยมันมีมากแล้วก็ไม่กิ่ที่ไหนเป็นส่วนตัวของใครของมันเกิดคนละภาวะต่างภาวะกันแล้วแต่ใครจะศึกษามันถ้าไม่ศึกษามันก็มันก็หลงไปเรื่อยไม่จบ อารศึกษามันก็จบมันจบได้ชีวิตเราเนี่ยการศึกษาเรื่องอื่นไม่จบมันเกี่ยวข้องกับมาไรต่างๆเหตุปัจจัยอันที่มันศึกษาเรื่องกายเรื่อง ใ, ใจเราเนี่ยมีเหตุปัจจัยอันเดียวทุกสิ่งเกิดต่เหตุตาบที่เหตุเพราะอะไร เพราะรูเพราะหลงเป็นเหตุใหญ่ๆมันก็สรุปให้เราเพราะมีอวิชชาคือไม่รู้จึงเกิดตัญหาก็เติดสังขารเพราะไม่รู้ก็ปุงแต่งไปสังขารจะเกิดนามรูปนามรูปเกิดจากมารจะตัะ น, นะ นามรูปก็เกิดได้เตนะผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุกฐานภพชาติชาลามรณะเกิดดับเกิดดับเกิดแกดเจ็บตายไปเพราะรูปเพราะมีวิชามันก็มีสังขารสังขารไม่มีก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณที่เป็นนามรูปมีวิญญาณที่เป็นรูปทำนามธรมธรรมชาติเพื่อใช้งาน อมีในกายมีในเวทนามีในจิตในานามรูปกายในกายเว็น า, นามรูปเวทนาในเวทนาเป็นานามรูปจิตในจิตเป็นานามรูปทำในธรรมเป็นานามรูป อ, อ น, นั่นมาเกิดดับเกิดเจ่งถ้ายังเกิดตรงนั่นอยู่ก็มีรูปนามเรื่อยไป เจ็เจ็บตายเรื่อยไปเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าดับนามรูปได้ไม่มีอะไรที่เป็นให้เกิดอีกไม่มีเชื่ออีกแล้วมันดับแล้วก็มีแต่รูปทานามทมใช้ประโยชน์ได้สำเร็จไม่เสียชาติเหมือนหนีพ่วงแพ้ขี่ข้ามภาคได้สำเร็จไม่ใช่ไปจมอยู่ใน งน้ำโอเคคือโลกโกรธหลงเอใส่ลูกทำน้ำทำเป็นเครื่องมือขี่ข้ามฟากถึงจุดหมายปลายทางเพื่อการนี่จริงๆชีวิตเราที่ได้มานี่เพ่าะแม่เราอาจจะทําไม่ได้ก็ทิ้งไว้ให้ลูกสาวลูกชายทําแทนถ้าลูกสาวลูกชายทําแทนก็มีลูกอีกให้ลูกเขาทาต่อไปอีกนั่นก็เป็น ืว่าอย่างนี้ชีวิตเพื่อการนี่ถ้าจบก็จบกันไปถ้าไม่จบก็ต่อไปเรื่อยๆอรูปทำน้ำทำเนี่ยก่อนที่รูปทำน้ำทำมันจะเกิดมันก็เกิดนามรูปนุ่นก่อนพอมาเห็นตัวนี้เข้ามันก็ง่ายๆคือสิติชจชยะเป็นการคงกำเนิดของนมามรูป ของสองฐารมีภาวะที่รู้มีภาวะที่หลงทุกคนก็ผ่านตรงนี้เห็นตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้มีหลงมีรู้ถ้าคนปฏิบัติก็หลงก็เป็นรู้ถ้าคนมีคนถ้ามีเก็บอารมณ์ก็หลงเป็นรู้ถ้าไม่เก็บอารมณ์ก็หลงเป็นหลงก็หลงที่ไหนไม่ได้อยู่ดวงปลาไผ่ไม่ใช่อยู่ในเข้ม กรรมาฐานอยู่กับกายกับใจเหล่านี้แต่เป็นสนามฝึกในในเข้มเหมือนเขาฝึกช้างฝึกมา้าต้องมีสนามฝึกในโรงในป่านโน้นฝึกเป็นแล้วขี่เข้าบ้านใช้งานได้อนอังตาเห็นเขาฝึกมา้าที่ประเทศป้าบ้า หน้าบางตัวพยศสอนยากก็ต้องเอาลุขาสนามถ้ามาตัวใดไม่สรนยากก็ไม่ต้องข้าสนามเหมือนคนที่มันดื้อมันไม่มันสอนยากก็เข้าคุกไ้ขังไว้ก่อนบางทีก็ได้วิชาจากคุกจะตารางมามาทำบางอาชีพได้ เขาเห็นสนามมาที่ประเทศพระมากาน้าตัวไหนที่มันพยศมันสอนยากดือ้อเขก็เข้าสนามว่องใหญ่ไพศาล ส, สุดทั่วหัวช่วตาเอาล่องกรแพงไว้สูงก็มีโต๊ ะ, ตะนั่งอยู่แถวประตูมีประตูเข้าทางเดียวนั่งเดินน้อมชากันอยู่พอจับเข้าไป สนามแล้วเขาก็ช่วยกันมัดลถลถเป็นลถยางไม่แตกไม่หกักแต่มัดติดคอมาพอมัดติดคอแล้วก็ปล่อยเลยพปล่อยก็วิ่งไปไงั้นะวิ่งไปมึงวันสองวันก็วิ่งอยู่มันวิ่งไงมันก็ไม่ออกจากคอมันเป็นลถที่เขาทำมาดีวิ่งไปแล้วก็วิ่งตามไป เลี้ยวไปไหนมันรถก็เลี้ยวไปตามมันจะหลงลุ ก, กคุกานอย่างไงรถก็ยังติดคอมันอยู่ผลที่สุดหนึ่งวันสงวันก็เดินเข้าออกมาหาคนารถเดินออกมา ต, ต้อยมามาหาเจ้าของอยู่ที่ประตูเจ้าของก็นั่งยินช้ำชาเฉยมันก็มายืนแล้วบ่เนี่ยโต้สนามฝึกทนไม่ใช่แบบนั้น มันเป็นสัตว์ประเสริฐหลงอยู่ตรงนี้เปลี่ยนอยู่ตรงนี้มันกรอยู่ที่นี่เปลี่ยนอยู่ที่นี่มันทุกข์อยู่ที่นี่เปลี่ยนอยู่ที่นี่ดี๋ยว่ากาลิกษธรรมทำได้สะดวกไม่ต้องไปขนาดนั้นการตึกเพื่อให้ถึงโลกุตละไม่ใช่มีปัจเจีนอื่นนั้นอยู่ในตัวเราเพิ่มแล้วเป็นพระสูตร เป็นพระวิญัยเป็นอริธรรมโดยเฉพาะพวกเราเป็นล้กปู่จุว่รนี่มีวิญัยยิ่งดีช่วยเราช่วยเราให้เราได้ฝึกให้เราได้สะดวกที่นี่ก็พออยู่กันได้เป็นส่วนหนึ่งน้อยๆของของประเทศไทยเป็วัดหนึ่งน้อยของประเทศไทย มีความรู้เนน้อยของพระสงฆ์ที่อยู่ที่นี่ไม่มากแต่เป็นความจําเป็นตั้งต้นในที่นี่ก็ไปกันได้ถึงเกีหมายปลายทางได้ก็มีมีความสำเร็จได้แล้วก็มีหลักเท่านี้อาจจะไม่รู้หนังสืออาจจะเขียนหนังสือไม่ออก ก็ไม่เป็นไรยจะเกต์แตเท่าก็ไม่เป็นไรยกียติแล้วบวชทําไม่เดิมบวชก็ไม่เป็นไยจะเป็นคนหลวงวัดสาวไม่เป็นไรถือว่าเป็นสาวมันลักษณะมีสิทธิเท่าเทียมกันจึงให้เกียรติให้ความสะดวกเท่าเท่ากันไม่ใช่หลังเกียรติกันตอนดีก็มีคนไม่ดีก็มีเราไม่ใช่หลังเกียรต เราจะสอนคนที่ไม่ดียิ่งคนไหนไม่ดีเราจึงใส่ใจมากมีปัญหาอะไรก็มาแม้แต่เจ็บไข้ดรั่ป่วยก็มาอยู่ที่ได้มาตายที่นี่ได้นีกติให้นอนตายคือนอนจะดูแลไม่โทษไม่ ท, มทิ้งแม่เดี๋ยวนี้ก็จะนับถือรุนการบวช ด, ด้วย ไม่มีบาทเป็นจีบวรนมาที่นี่อาจารย์ตุ่มจารย์โนตจะจัดการงานให้ <c oughs> อชาก็อยู่ที่นี่เราจะเป็นคนไทยมีสำนโนครัวหลักฐานมาพรา <c oughs> ้อมเขาบวชได้ <c oughs> แม้จะมีปฏิบัติก็ให้สิทธิพิเศษ เราก็สลับสนุนกันให้เป็นประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยอิสราภาพในท่านทำความดีอยาเจนกันแต่วันสองวันนี้เจนกันนะพรนะวัตสุกุโตไปทำงานที่ภูทองไปเห็นพระวัตสุกุโตเนี่ยโอ้ไม่ใช่ย่อยนะไม่ขี้น้อยถ่ายภาพไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ะจะเอามาฉาย VCD ว่าจู่ตัวไม่ใช่นั่งยกมือนะถีปูนลาดปู น, ปนหิวปู น, ปนจบจอบจบเสียมไม่ใช่มานั่งยกมืออย่างเดียวเดินโยกมย่งย่องอย่างเดียวนะโอกาสบางทีก็ทำเ้าอยู่ที่นี่ <c oughs> หรือว่า อาภยากจนหลงอย่างก็ทําเองก็อาลีอมจนช่วยกันคนจนยอมจนอาจจะบ้างมีแต่คนจนทําตัวเป็นคนรวยอาจจะยากจนคนรวยทําตัวเป็นคนรวยอาจจะยากจนคนรวยทําตัวเป็นคนจนไม่จะร่ํารวยนี่มือปางกระทา ตัวหลวงตาเองก็หมดจภาพมันมันไกลไปแล้วแต่ก่อนเคยเดินไปทะลุตะลวงรอบวันหมดเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปแต่ก่อนก็ปีสองปีนีงก็โน่นโนู้นก็ติฉลาไก่เดินมาทำวัดนี่ก็ย้อยๆอยมาเดีวนี้ก็อืดอืดอ да ืดอืดก็เลยย่ามาอยู่ที่นี่ พวกเราที่อยู่ในเชี่มน้นไม่เคยเดินไปเลยก็ดูตัวเองก็ก็หมดสภาพไปมากวหมืาการนาไม่สมมตลแบบผ่าตบบกพ้่องแต่เราแต่ก่อนเราไปเยี่ยมไปถามไปคุยไปเดินอยู่ด้วยแต่นี่ทำไม่ไหวอีวิทย์ก็ไม่เหมาะที่แช่งานแบบนั้น แต่นั่งอยู่ที่พอทำได้อตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีเสีย ง, ยงก็เลยไม่คห้ยมาร่วมทำวันเดี๋ยวนี้ก็แต่ทำงานกดจบเนี่ยบางทีก็ผิดกดจบสามสี่วันเลยป ร, กรากฏว่าขอมอนสูงริ้วเลยขอมอนสูงเมื่อวานหยุด ไม่ไปขุดจบไม่ไปทำงานดีขึ้นสิ่งที่เราไปคุดจบมันอะไรก็มีคนบอกวัดความวัดไขมันไขมันในต้าท้องเยอะเกินไปต้องออกกำลังออกกำลังก็บอกว่าออกกำลังทุกวันเดินจงกรมวิ่งจกจกออกแข่งแขนด้วย สามสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พอต้องกดจับโจบว่าต้องจับโจบไปจับมันก็เล่นงานเราความดันสูงมันดินมันแข็งใช่ไหมพอดินแข็งก็ออกแรงกว่ากระทบกระเทือนก็ไม่ดีเอาวานี่ใครจะอยากได้จบเอาแล้วอยู่ก็ตีล้งต่อมีจบสองเล่มอย่างดีนะ มีเสียมเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเอาให้แม่ทองคำไปแล้วเห็นบ่หรอแต่มีมีมีขวัมีเลื่อยยังไม่ให้นะเอาไว้ไปพิพิธภัณฑ์ไว้พดภูขาถองเครื่องใช้ต่างๆที่จะเคยใช้งานมาเป็นเทพใหญ่ๆสามสี่สิบปีมาแล้ว เอาเจ็บปัญญานเป็นวิถีพันเครื่องมือเคยใช้งานเขาก็ก็ไม่สมบูรณ์แบบร้อนสารภาพเอาใสม็ดใส่เพื่อนแต่ก่อนเราปฏิบัติเขาไม่ให้หลวงพ่อเทียนยากนะมแบอกหลวงพ่อเทียนเลยว่าหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผม เวลาปฏิบัติอยู่สุกภูคุถยานนี้ใจไหมต้นตนไงวุ่นวายมากเกิดปิติเกิ ด, กดนิมิตกันเป็นแถวล้องห่มลงให้ก็มีแต่แท้กายได้ยินเสียงล้องขึ้นมาเอ้าขึ้นมาอที่เดินจง ก, กรมอยู่ดีๆเนี่รล่องขึ้นมาก็มีเหมือนกัน แผ่นดินมันทำไมจึงสูงจึงตอำหนาแ น, น่โอ้ยมันกระโดดข้ามไปได้นะเนี่ยูมใจูมใจกระโดดมาได้หล ด, ดไปได้อะไรก็หล ด, ดไปแล้วเนี่ยทุกคนไม่มีแล้วทำงานทาัาไงไม่มีมันเบาไม่รู้จกเดินจะนั่งเลยทะมังไงมันเบามันไม่มีอะไรแล้วทำงานมันหมดไปแล้วเนี่ย โดนข้ามมาไมาาู่้ก้ามตรงไหนไม่้งเจนพากันไปไปหลวงพ่อเทียนก็มาชวนไปหลว่เทียนก็ไปพระก็ไปบางทีหลวงพ่อเทียนไม่ไปเพราะพระพากันไปเองสว่งเกิดบางทีไปศวดใพระรูปหนึ่งเกิดปิติอย่างแรง มาเช็ดบันไดให้หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อก็อยู่กติหลวงพ่อเทียนด้วยกันเช็ดบันไดถูบันไดถูขึ้นไปถูพื้นถูต้นเสาทุกต้นพอจะยอมหรอบอกให้หยดุดก็มาหยุดไม่หยดุดยังไงกติอาจารย์กติพระพุทธเจ้าพระเจ้าเดินมานี้ทุกวัน วลาที่ไปเดินอยู่อยู่กรมไปไปเดินย่งกมก็อบอกไปเดินยางกมก็ส่งมขี้ไปนี่เป็นทางเดินของอาจารย์ต้องทําให้ดีไปอาจารย์เดินไปตรงนี้ก็ไปนี่มานั่งตรงนี้ก็ทําให้มันดีตกแต่งอยู่เสมอก็เลยหลวงพ่อกับหลวงพ่อเทียงก็ไปไปชวน ไม่ได้สอนตรงๆชวนเดินออกนอกวัดไปไปหนองหล่มไปอาบน้นําหนองหล่มเดินทางไปประมาณกิโลกวกว่ากมกกว่าเดินผ่านไปไปเห็นกองขี้หมาหลวงพ่อเทียนไปเห็นเจอกองขี้หมาด้วยกันก็บวกหลงพ่ อ, อ, อนอนเชื่อว่าหลงพ่อหง ก็หงงเอาไหมเนี่ยก็งงจะรบเปล่าบ้าจะมือจะเอาขี้หมาเอ้าไม่เอามันขี้หมาเอ้าขี้หมาให้บอกเอาก็เอาเชื่อจะเชื่ออาจารย์นะบอกให้เอาขี้หมาก็เอาเชื่อมันยังไงขี้หมาเนี่ย เอาไม่ได้มันเหม็นมันเหม็นแมวของเรารู้เจอหรือมันเหม็นนะถ้าเหม็นก็เราเดินไปอีกไปอไปเห็นก้นบุรีตกอยู่กลางทางก็บอกมางอ้กคนบุรีเหรอองโง่จ่บเอาไม่ซุบว่ามาดูเราทิสงซุบไงก้นบุรีเขาห่า มันจกปรกรู้เจกเด้อรเจอแล้วมันจกปกไม่เอาเลยไม่เอาอที่กำลังเดินไปโฉบไปไปอาบบน้ำป่าอาบน้ําลงไปเห็นปลูกเปล่าตัวใหญ่เอามือไปว่าจะไปยำอะไรมันกระโดดขึ้นมาข้ามมือข้ามมือโอ้นี่นป่ามันก็รักลูกมัน มันอยู่ในน้ำแต่เราเมย์ยังไม่ถึงน้นะําน่ะมันก็โดดขึ้นมาคาบเราบ่เ <laughs> <ปะ> <laughs> ออมันก็ลากนะแอบน้ำลากมาเออวราบอกโลเซต์ว่าหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมผมไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนผมมีสติไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนที่เป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งหมดที่เอ็นกระโยกผมไม่เป็นแน่นอนผมมีสติมันจะเป็นยังไงมีสติ มันเกิดเลยขึ้นมาลู่มันสุกกว่าลู่มันเกิดเลยกว่าลู่มันผมไม่เป็นแน่นอนเป็นแบบนี้เป็นแบบคนนั้นเป็นแบบคนนั้นผมไม่เป็นนะนั่นก็อย่างเนี้ปฏิบัติธรรมมันไปได้ไปเองได้เราจึงต้องเพียงพอแล้วมีกายมีสติเป็นตั้งมที่การลนะนิมิตอย่างดีอย่าไปเอาที่ทั้งอันอื่น บาที่มีฉุกมีปิติมีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปหลงเป็นได้บางคนแต่เป็นบางคนไม่เป็นเหมือนกันแต่สติปัฏฐานเห็นกายเห็นเหมือนกันหมดอะไรที่เกิดกับกายเหมือนกันหมดความหิวก็เหมือนกันความร้อนก็เหมือนกันความหนาวก็เหมือนกันความเหนื่อยความปวดความมุ้ยเจอเท่าเหมือนกันหมดอันเดียวกันหมดท้มันลักษณะเสมอกันหมด เห็นเวทนาคือสุขกัทุกข์เหมือนกันแต่คนที่บางคนมันสุขแต่คนที่เห็นก็ไม่ไม่โอทุกขมาเป็นสุขเหมือนกันแล้วก็บอกตรงนี้นะเดี๋ให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้ทุกข์เป็นรู้อะไรต่างๆทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันแต่เก็บอารมณ์คือทำตรงนี้แหละเก็บอารมณ์คือเปลี่ยนตรงนี้ปฏิบัติคือเปลี่ยนอย่างเนี้ย เวียนร้ายเป็นดีอย่างนี้มั น, นไม่ยากใครก็เกิดได้เกอดกิเลสตัณหนาก็เหมือนกันเกิดลาคากักความพอใจความไม่พอใจเหมือนกันเราทำไงเวลามันเกิดขึ้นมายิ่งเวลาปฏิบัติมายิ่งรบกวนมากก็มั่อนอนเอวกะคิดยีคูอยู่คนเดียวให้มีสติระวังความคิด อยู่กับหมู่กับมิตรรวังคำพูดําจาแล้วมีโอกาสอยู่คนเดียวจะได้พบเห็นนางต่างเป็นที่ตอบปัญหาของชีวิตเราอยู่คนเดียวด้วยาเข้มกรรมฐานไม่มีเลยแบ่งปันเกิดเฉพาะเราคนเดียวเราก็สนุกแค่เราคนเดียวทันทีไม่เสียเวลาบางทีก็ติดตาม ทันไม่มีอะไรไมาเกี่ยวข้องบางครั้งเวลามันตามดีๆมันมีรสชาติมากได้ยินเฉียนละครั้งตีฉันเบนก็ไม่ไปมันยังมีรสชาติในการปฏิบัติเราอยู่คนเดียวมีสิตที่ได้บางทีก็ไปมีจิตที่ได้แต่ผมเพียบอารมณ์ผมก็ทำวัดทุกวันบินทำ บ, บาด ท, ทุกวัน มาฟังพ่อแสดงธรรมทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่หนีบางครั้งก็หนีไม่นานเขาบอกครูอาจารย์ว่าถ้าไม่มาฉันจะปันสงวันเนี่ยไม่ต้องตามอย่าไปตามถ้าไม่มาสักเกตันไปตามดูว่างอาจจะตายไปก็ได้ถ้าไม่มาฉัน เจ้าฉันเ็นจกวันสามวันนี้ไม่ต้องตามก็บอกไปเฉยๆดิแต่ก็มักจะไปทุกวันหนึ่งเหรอเราต้องเห็นหน้ากันบางทีเราไม่ไม่ไม่อยากพบใครแต่ว่าครูอาจารย์ก็อยากจะเห็นกันยังเห็นหน้าก็อยู่ยังเห็นบินดาบาอยู่เห็นธรรวัดาาอยู่ให้ได้ความสะดวกไม่กังวนผู้ใดอย่างนี้นะ แลวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสุดท้ายตามทุกวัญญนหยัดปัจจุบันจะมีตลอดอันหลงเวลาใดก็จะเปิดหลมเปี่ยนหลงไป็รูปเวลานั้นไม่มีคําว่าสุดท้ายจนว่ามันไม่มีอะไรหรอกถ้าไม่มีไม่เป็นอะไรแล้วจ บ, จบสันตีแล่วผมก็เลยพอใจอพูดคํานี้ไม่รู้จะพูดคําไหนสุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรกับอะไร เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเขียนไป <laughs> สำนึกจิงเห็นไมไม่เป็นอะไรก็อะไรไมันมีคำพูดอะไรต่อไปอก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ก็ขอให้พิสูจน์กันดูพูะเจ้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงในชีวิตของเรานี่มีสติได้จริงทุกคนเวลาเราหลงเรามีสติไม่หลง ช่วยจิตที่ให้ดีเวลาเราโกรธมีสิตที่ไม่โกรธเวลาเราทุกข์เรามีสิตที่ไม่ทุกข์เวลามันเกิดไรบุงแตกออกมามีที่ไม่พุงไม่แตงมีอยู่ในโลกนี้จริงๆคนประเภทนี้ชีวิตอย่างนี้มีมานานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ข, ขึ้นมาคนรู้เรื่องนี้กันเยอะแยะแล้วจนมาถึงพวกเราทุกวันยังอันเดียวมันใช่คนละอย่าง อันนี่ก็ขอจบไปเป็นตัวนี้จะอาจจะได้ไปอาจจะได้ไปกรุงเทพนะก<ะ>็เตรียมเดินทางให้จันนดจันทุ่มไปที่หลังหลังตาจะไปก่อนแล้วเาเอาแรงชักหน่อยอเดี๋ยวนี้อดทำงานไม่ได้ปัจจิตเจ็บจบทักหน้วก็มีผ้าจะลดน้ำต้นไม้ เราก็ไม่ต้องไปรอยนี่หละเนาะอย่าเพิ่งไปไหนได้ <laughs> สมควรจะกลับพระพ้อมกัน